บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งโซลดปัญหาคือปัญหาของมนุษย์บสิสบนซึ่งเป็นสิทธิของพรามภาวรรนันปัญหาข้อที่อาชิตมนุษย์กราบทูลถามต่อไปก็คือว่าโลกคือหมูสัต อันอะไรปิดบังไว้จึ ง, ลงหลงดุดอยู่ในที่มืดข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าโลกคือมูสัตว์อนนวิชาปิดบังไว้จึ ง, ลงหลงดุกอยู่ในที่มืดการมองโลกในสายตาของนักปรัชญาคือการเข้าถึงความจริงแห่งโลกในฐานะนั้นข้อนี้จะพบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นโล ก, กวิถูทรงรู้จักโลกอย่างแท้จริงแต่คนที่มีสติปัญญาสูงขึ้นมาอยู่ในดับหนึ่งก็ย่อมเข้าใจและเกิดความสงสัยว่าทําไมาชาวโลกจึงมีความหลงความมืดบอดในด้านสติปัญญา <c oughs> ในคําถามนั้นแสดงว่าผู้ถามมีความรู้โลกได้ในดับหนึ่ง ก็เกิดความเครื่อบแแปลงสงสัยไม่แน่ใจว่าทำไมโลกจึงมีลักษณะอาการมืดบอดเช่นนั้นคำว่าโลกโดยความหมายแห่งรูปสารแล้วได้แ ก, สก่สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปมีความแตกตับไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเรียกว่าโลกแต่นั้นคำว่าโลกจึงเป็นโวหารที่ใช้ได้ โดยนัยยะต่างๆในส่วนที่กว้างไกลจริงๆประรงแสดงประเภทที่เกี่ยวกับสภาวะและเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเอาไว้เป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกทรงแสดงเกี่ยวกับสภาวะไปแก่โอกาสสวรรโลกคือดวงดาวทั้งหลายอันเป็นที่อาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สังขารโลกโลกคือสังขารทั้งหลายที่มาประกอบมาไปชุมกันมีชีวิตบ้างไม่มีชีวิตบ้างย่อยออกไปจนเป็นอนุเหล็กเล็กก็ยังอยู่ในสังขารโลกสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์และแก่การพูดถึงสังขารธรรมในลักษณะที่ยังเกาะกลุ่มกันอยู่อีกชุดหนึ่งพูดถึงสิ่งมีชีวิต ได้แก่มนุษย์สุดโลกโลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประเภทที่เรียกว่ามนุษย์ซึ่งในทางหลักพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ได้หมายเจาะจงเอาเฉพาะโลกนี้พระทรงแสดงไว้ว่ามาตรฐานการดำรงชีวิตของสัตว์โลกในระดับเดียวกับมนุษย์ระดับเดียวกับสวรรค์ชั้นต่างๆนั้น มีเป็นจำนวนปันพันโลกด้วยกันเทวโลกโลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของเทวดาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยกำเนิดประเภทที่เรียกว่าโอปปาติกาก็เกิดเติบโตเป็นบินยูชนเวลาทํากาลกิยาแล้วก็ไม่ทิ้งซากเอาไว้กันตระทานหายไปเป็นอากาศเซท่า กลับสู่สภาพดินน้ำลมไฟโดยไม่ได้ทิ้งช่วงกานอันที่จริงลักษณะเหล่านี้ก็เป็นเช่นเดียวกับศาสตร์โลกทั้งหลายเช่นมนุษย์เป็นต้นมนุษย์เราก็ตกอยู่ในสภาพจากนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ทิ้งร่างเอาไว้ในช่วงหนึ่งแต่ในที่สุดร่างเหล่านั้นก็จะคืนสู่สภาพเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณไปตามธาตุเดิมที่มาเกาะกลุ่มกัน และพรหมโลกโลกอันเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์โลกประเภทหนึ่งที่มันเป็นเพียในทางจิตมีความปณีิสงบขึ้นไปโดยลาดับจนบรรลุปฐมฌานเป็นต้นไปจะบังเกิดในภพที่เรียกชื่อว่าพรหมโลกมีขันห้าหนึ่งมีขันห้าบ้างมีขันหนึ่งบ้างมีขันสี่บ้างขันห้าก็ได้แก่ ผู้ที่วังเกิดอยู่ในกา马来จรทั้งหลายคือมนุษย์โลกหรือเทวดาโลกหรือพรหมโลกบางประเภทขั้นหนึ่งนั้นเป็นผลของสมาบัติในการพัฒนาจิตใจให้มีความซสงงบปรนีดจนเข้าอยู่ในสมาบัติไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งหมดและตายไปด้วยการจางนั้น ก็บังเกิดเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งเรียกว่าอสาันญยิสัตตาภาษาไทยเราเรียกกันว่าพรมลูกฟักมีเป็นขันเดียวคือรูปประขันอีกพวกหนึ่งนั้นมาเป็นเพียนทางจิตจนเพิกความยินดีในรูปทั้งหลายไม่ว่าจะประนิตละเอียดยังไงก็ตามออกไปแต่ไปติดใจยอยู่ต่ในอากาศวิญญาณเป็นตนมาตายไปแล้วก็บังเกิดเป็นกลุ่มของนามล้วน คือเวทนาสัญญาสังการวิญญาณด้วยกลุ่มของจิตแท้ๆนี่ก็เป็นเรื่องโลกในมุมกว้างๆแต่คำถามนั้นเป็นการพูดในมุมแคบือต้องการศึกษาเรียนรู้ถึงความจริงจากจุดย่อยไปหาจุดใจและจอจงเอาเฉพาะหมูสัตว์ได้แก่มนุษย์จึงถามว่าโลกคือหมูสัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงลุดอยู่ในที่มืด พ ร, ร, ระพุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงสิ่งปิดบังโลกไว้ว่าในแก่อวิชชาแต่ว่าคำว่าโลกคือมูสัตว์นั้นพระพุทธองค์ทรงจำแนกแสดงออกไปโดยนยามต่างๆเป็นการมองในแนววิปัสสนากรรมฐานก็ได้คือมองโดยการใช้ปัญญาแจกๆมองในแนวสมถกรรมฐานคือทำใจใสงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นก็ได้ ดังนั้นจึงมีคําเรียกว่าขันธโลกแยกร่างกายออกเป็นห้าส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าอายตนะโลกแยกส่วนของร่างกายที่เป็นรูปประคันและนามขันออกไปเป็นตาหูจมูกเลี้ยงกายใจในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพะธรรมาตรมเรียกว่าธาตุตุโลกธาตุสิโดธาตุโลกธาตุดุโล ก, โลกดินน้ําลงไฟอากาศวิญญาณ บางครั้งก็เรียกเป็นพวกอินทรีย์หรือย่อยออกไปอีกทีหนึ่งสรุปประคำเรียกทั้งหมดนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่านามารูปแต่เป็นวิหารและเทศนาระนั้นเองจะย่อยออกไปเพื่อสอดคล้องกับจิตอัธยาสัยของผู้ฟังคนนี้ฟังด้วยถ้อยคํำวิหารอย่างนี้เข้าใจก็พูดโดยถ้อยคำด้วยวหารอย่างนั้น สิ่งคนหนึ่งพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจก็พูดอีกระยะหนึ่งบางคนพูดส่วนย่อยเห็นไม่ได้ชัดก็พูดส่วนใหญ่บางคนนั้นส่วนใหญ่เห็นได้ชัดแล้วแต่ติดที่ส่วนย่อยก็มาพูดส่วนย่อยให้เกิด ค, ความเข้าใจโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือให้เกิดความสงบเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นแต่เราะการที่คนและสัตว์ทั้งหลาย ผูกรากง่าของกิเลสใหญ่สุดหรือเรียกว่ามูลของกิเลสปิดบังปัญญาจากสุเอาไว้คือปิดบังดวงตาได้แก่ปัญญาเอาไว้จึงมองความจริงของโลกไม่เห็นพิถีชีวิตของบุคคลจึงมีลักษณะเดินไปในที่มืดมืดมากบ้างน้อยบ้างเห็นชัดบ้างเห็นไม่ชัดบ้างเห็นอากาศลักษณะขมุกขมัวบ้างมืดตื้อไปบ้าง ดังนั้นโดยโวหารเหล่านี้เองพระเจ้าจึงทรงเน้นที่โทษของอวิชชาไว้โดยนิยะต่างๆจึนทรงสแสดงอุปมาว่าชีวิตแต่ละชีวิตนั้นเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่กระปองกค่องหรือเปลือกของไข่นั้นเปรียบเหมือนกับอวิชชาซึ่งปิดบังเอาไว้ พระองค์เองนั้นได้ทำลายกระเป๋อฟองเหือววิชาออกมาได้ก่อนก่อนสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นในโลกนี้พระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นโลกใหเจ็ดเป็นพี่ใหญ่ของชาวโลกซึ่งแสดงเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมาจากสถานะเดียวกันคือมาจากสัตว์โลกที่ผูกวิชาขอคุ้มเอาไว้เหมือนกันแต่พระองค์ได้ใช้ความเพียนพยายามทาลายกระป๋อฟอง เกิวิชาออกมาได้ก่อนองคจึงได้ชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่ของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามช่วยเหลือน้องนองต่อไปเพื่อทําลายกระเปาะฟองออกมาให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ได้สังสว่างแในที่สองทางแห่งชีวิตของตนการที่ทรงแสดงว่าสัตว์โลกถูกคุ้มครองด้วยวิชานั้น บุคคลอาจจะสามารถสังเกตพฤติกรรมต่างๆของบุคคลในลักษณะที่เป็นรู ป, ปรธรรมหรือสรดสอบลักษณะจิตใจของตนเองในเชิงที่เป็นนามรธรรมและอิงรู ป, ปรธรรมก็ได้ยังทรงแสดงในรูปของอาการเคลื่อนไหวของสัตว์โลกที่มัวกำหนัดเพลิดเพลินยินดีเรื่องหลงเกินจุมมีการเขียนค่าอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันอยู่ ดูแล้วคล้ายๆกับว่าชีวิตของตนนั้นจะ อ, อยู่คำฟ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงประการเวลาให้ไปด้วยความผ่านพ้นไปด้วยความประมม่าหมัวเมาอย่างที่ทรงแสดงแก่หญิงสหายของนางวิสาขาที่มัวเพลิดเพลิพนด้วยการเต้นรำเพราะการดื่มสุราแล้วก็สนุกสนานต่อกันไปจากสุราเรื่อยๆโดยทรงเจเห็นว่า เธอทั้งหลายจะโม้เพลิดเพลินโม้รื่นเริงโม้บันเทิงอะไรกันในเมื่อโลกสันนิวัตคือที่อยู่ของพวกเราเนี่ยถูกไฟลุกโพรงอยู่เป็นนิดเธอที่ถูกความมืดทุ่มห่อเอาไว้ทำไมจึงไม่หาประททศเป็นเครื่องส่องทางชีวิต ก้อนี้เป็นการที่เห็นว่าภายในจิตใจของบุคคลนั้นถูกไฟคือโลภะโทสะโมหะเพราะลนอยู่ตลอดในขณะเดียวกันตัวความมืดคือวิชาก็ปิดบังสติปัญญาของคนเอาไว้แล้วก็ปล่อยตัวเองให้หลงเต้นหลงรำหลงสนุกสนานกันอยู่ในความมืดหกล้มหกลุกทำอันตรายก็บตนเองทำไม่มีคิดหยุดประทียขึ้นเพื่อส่องทางชีวิตของตน พฤติกรรมของสัตว์โลกที่ผูกกัิชาคุ่มืออเอาไว้ในจุดที่รูปเป็นรูปธรรมนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนมากอย่างเช่นคนที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะอัจฉรกรรมต่างๆนั้นเป็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ในโลกมีหนังสือพิมพ์หรือเมืองไทยมีหนังสือพิมพ์มาแล้วคนแต่ละคนเกิดมาได้ประสบพบเห็นเรื่องเหล่านั้นรู้แล้วนั่นคือหลุมบอกปากนา ใครเดินเข้าไปจะต้องประสบความพิบัติเดือดร้อนตั้งแต่ที่รู้ก็ก็เดินกันเห็นผัวเมียก็ทะเลาะ ก, กันแตก่แกกันบ้านแตกขณะที่สุดก็รู้ก็เห็นโทษอย่างนั้นต่อมาวันดีขึ้นดีก็ทะเลาะ ก, กันเสีเองเพื่อเกิดบ้านแตกเช่นเดียวกันหรือแม้แต่สิ่งเสพติด ท, ทั้งหลายที่ชี้โทษกันอยู่ในที่ทั่ ว, วไปแต่คนก็พยายามเสพพยายามสุกสิ่งเหล่านั้น นั่นคือลักษณะของวิชาในเชิงที่เป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดชัดแล้วก็หยับแต่ประเภทของคนที่ถูกคุ้มหอ่อโดยวิชานั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของความมืดว่ามืดมากหรือมืดน้อยขนาดใดในทางพุทธศาสนาจึงจาแนกประเภทของบุคคลคือชั้นของสติปัญญาของคนที่มันสว่างมากสว่างน้อยจะมืดมากมืดน้อยเอาไว้ เริ่มต้นจริงๆนั้นใช้คำว่าอันตรพาละแปลว่ามืดด้วยแล้วก็งโง่ด้วยคิธสติปัญญามืดแล้วก็มีปัญญาอ่อนด้วยสภาพชีวิตของบุคคลประเภทนี้ไม่สามารถจะแยกได้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรบาปอะไรปุลเป็นต้นประเภทที่สองนั้นเป็นพาละ เป็นลักษณะของความมืดที่จะเดินไปได้บ้างตกหลุมตกบ่อไปเรื่อยๆคือเป็นคนเขาไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปบ้างหมโมประมาทในอารมณ์ทั้งหลายเป็นต้นบ้างประ ก, การต่อมาก็เรียกว่าชนะหรือชนที่แปลว่าผู้เกิดหรือตี๋เราเรียกว่า ราชาชนที่จริงประชาก็คือหมูสัตว์ชนก็คือเกิดหมูสัตว์ที่เกิดมาเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรออกไปต่อมาก็เรียกว่ามนุษย์ซึ่งหมายความว่าอาวิชาก็ยังมีอยู่มากแต่แสงสว่างก็มีอยู่พออยู่ได้ประเดินไปได้มนุษย์จึงแปลว่าสัตว์โลกที่มีใจสูงขึ้น แต่โลกที่สามารถใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตได้ซึอในชั้นของมนุษย์เองก็มีอยู่หลายชั้นว่ามืดมากหรือมือดน้อยความสว่างเพิ่มขึ้นหรือว่าสว่างไม่เท่าไรแล้จากมนุษย์เราเองเ่านี้เองก็เดินมาเป็นกันลายาณนชนคือคนดีเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดเป็นสัตวปุรุษพูดสงบกายวาจาใจเป็นักปราชญ์้ก็เดินขึ้นไปเรื่อยเป็นพระอรายาิย ในพระญาณเหล่านั้นก็ยังมีอวิชาคือความมืดอยู่เรื่อยเหมือนกันแต่ความสว่างเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความมืดจะหมดไปจริงจริงจึงอยู่ที่พระอาหารหันต์นี่แสดงเห็นว่าเป็นการเดินทางจากที่มืดออกไปสู่สว่างและสว่างเรื่อยเรยรรไปจนถึงสว่างด้ยประการทั้งปวงนั่คือเส้นทางของชีวิต อวิชชาที่เป็นตัวปิดบังปัญญาของบุคคลเอาไว้นั้นชื่อว่าเป็นรากนาวของบาปอากุศลทั้งหมลบางครั้งก็ทมให้บุคคลมัวเมาประบาทในการดำารงชีวิต ท, ทั้งๆที่รู้แม้แต่ไปในงานศพจึงจะพบว่ามีครูมีอุปกรณ์ในการสอนมีการเตือนสติกันด้วยวิธีการต่าง แ้วก็จริงแล้วก็มีการเฉลิมสนุกสนานมีการรรากันมีการเมาเหล่ามีการสวนเสหากันอยู่ในงานศพตอนนั้นนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอาวิชชาที่ปิดบังสติปัญญาเอาไว้น่าจะเรียนรู้น่าจะหาความเข้าใจน่าจะโชคช่วยโอกาสที่อุปกรณ์ต่างๆมีลักษณะเกึ้กูลแก่ใจของตอนเองทาใจส ง, งบหรือน้อมพิจารณา ดินกับความจริงที่เกิดขึ้นใช่เพราะนักของตนน้อมเข้ามาหาตนเพราะในแง่ของความจริงที่เป็นจริงแล้วระหว่างคนกระสบนั้นศพก็คือศพตายคนก็คือศพเป็นใ้ศพเป็นวันต่อไปก็ต้องเป็นศพตายเพราะศพตายนั้นก็มาจากศพเป็นแล้วตราบใดที่ยังเป็นกองสังขารกันอยู่ก็จะมีศพเกิดแล้วก็ศพดำรงอยู่แล้วก็ศพตายเรื่อยไ แต่เพราะใจซึ่งมัวหมองประมาติพาขาดปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาปัญญาก็ครอบงาปิดปังเอาไว้จึงมีความหลงเหมือนคนอยู่ในที่มืดคือคลำทางไม่ถูกไม่รู้จะเดินไปทางไหนในข้อนี้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นได้ว่าในการมุ่งไปจากความมืดอยู่เรื่อยๆไปตามสภาพของกุศลและธรรมที่เป็นสันเลขาคือขัดเกลา การเราวิชาก็เหมือนกับจุดเทียนกันทีละดวงเธอดวงดวงเล็ดว ด, ว ด, วดวงน้อยก็จุดๆไปเรื่อยๆปากแค่กระจายออกไปในที่สุดแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความมืดก็จะลดน้อยลงการฝึกปือ ป, ปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาจึงดําเนินไปสู่เป้าเหล่านี้แต่เมื่อความมืดได้ถูกขจัดไปแล้วสิ่งที่อยู่ในความมืดก็ปรากฏเกิดขึ้นตัวความมืดเองก็หายไปไม่อาศัยหลักการคือจุด แจงสว่างเกิดนาลักษณะของใจคนที่ถูกคุ้มห่อด้วยวิชานั้นปรากฏพฤติกรรมออกมาในลักษณะต่างๆเชนประมาทในเรื่องของชีวิตเมีีท่านเล่าถึงเทพธิดาตนหนึ่งมาจุติในโลกมนุษย์เลือกชาติตายทาบุญทากุศลปรารถนาที่จะไปเกิดในสำนักของเทพบุตรของตนอายุ60ป่าก็จุติก็ตาย ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวพุดดิง้งในขณะนั้นเทพบุตรจึ่งออกเขี่ยวชมสวนอย่างไม่ทันกลับออกที่ชมสวนกับนางอย่างไม่ทันกลับเมื่อสอบถามไปแล้วเทพบุตรถามว่าเป็นยังไงมนุษย์ซึ่งมีอายุน้อยอย่างนี้มีความไม่ประมาทดีอยู่หรือนางบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมนุษย์มีความรู้สึกคล้ายๆกับตัวเองเป็นภาวะที่เชี่ยงแท้แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปด้วยความมัวเมาประมาทเต็มที่นี่ก็คือลักษณะของจิตที่ถูกคุ้มหอด้วยวิชามีท่านผู้หนึ่งทางราชบุรีตายแล้วระลึกชาติได้จะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาชาวบ้านธรรมดาไม่ค่อยมีความรอบรู้อะไรเท่าไรแต่ท่านจะมีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งเวลาเห็นใครทาชั่วทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว นันจะพูดในลักษณะปล่อยๆว่าคนพวกนี้ไม่รู้ว่าต้องเกิดติคือตายแล้วต้องเกิดติเพราะไรพระ้าร้ร้ในชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นจะไม่ทำกรรมอันเป็นเหตุให้ตนต้องชดใช้ผลในลักษณะเป็นความทุกข์เดือดร้อนการทำสิ่งที่เป็นบาปการรมต่างๆของบุคคลทั้งหลายจึงเป็นการกระทำด้วยแรงดันของอวิชชา ธมเป็นเครื่องขจัดอวิชชาจึงทรงแสดงไว้ในระดับต่างๆซึ่งไม่ว่าจะแสดงไว้ในทีดด่ใดก็ตามาจะพูดจากความอัติปทานในสุดหรือแม้แต่จะพูดจากโลสลปัญหาหรือพูดจากที่อื่นที่จริงพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายอย่างเดียวกันคือมุ่งขรจัดอวิชชาซึ่งเป็นต้นเขา แต่บางครั้งบางคราวมีการพูดถึงว่าก จ, จัดอภิชาและโทมานัตอภิชาโทมานัตนั้นเป็นกิ่งของอภิชาเพราะถาอวิชายังมีอยู่กิ่งมันก็ต้องมีอยู่การทําลายอภิชาโทมานัตก็คือทําลายอภิชาเช่นเดียวกันเหล่านั้นจึงกลายเป็นโภหันปัญหาสําคัญที่น่าศึกษาที่น่าพิจารณาก็คือว่าในขณะที่ชีวิตยังมีอยู่นั้น ทำอย่างไรจึงจะสามารถบัดทเอาอวิชาคือไม่ให้ถูกคุ่หอโดยวิชามากเกินไปในกรณีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหลักธรรมไว้เป็นนันมากซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ตรงตัวกันไปนเลยคือมุ่งแก้ววิชาโดยจฉพ่ออย่างยิ่งหลักเสริมสร้างปัญญาดัน ที่บุคคลจะควรจะใช้มากในปัจจุบันก็คือหลักโยนิโสกนิสิกาได้แก่ความคิดที่มีเหตุมีผลด้วยบายวิธีที่สมเหตุสมผลไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ได้มองเฉพาะที่ปรากฏแต่มองจากจุดที่ปรากฏไปหาจุดที่ไม่ปรากฏได้ลักษณะคำสอนในแนวนี้จะเห็นได้ว่า ก็คือคําสอนที่ส่งสอนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เป็นต้นนั่นเองที่จริงความแก่นั้นยังไม่ปรากฏแต่ต้องแก่แน่นอนความตายก็ยังไม่ปรากฏแต่ต้องตายแน่นอนความรัดรากในขณะนั้นยัไม่ปรากฏแต่ต้องรัดรากแน่นอนความเจ็บก็ยังไม่ปรากฏแต่ต้องเจ็บแน่นอนนั่นคือสอนให้มองจากจุดที่ปรากฏไปหาจุดซึ่งไม่ปรากฏและบางครั้งจุดที่ปรากฏนั่นเอง ก็มองเชื่อมโยงถึงเขตที่ให้ปรากฏสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาก็ได้วิธีการวิธีการดำารงชีวิตในแนวพระพุทธศาสนานั้นจึงเป็นหลักคําสอนที่มุ่งให้เกิดปัญญาขึ้นมาโดยการพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของตนซึ่งทรงใช้คำอยู่คำหนึ่งว่า ตาพระตาวิปัสสติคือให้เห็นไปจากชัดในขณะนั้นๆเห็นรูปด้วยตายินเสียงด้วยหูสูตดตมกลิ่นด้วยจมูกริมรถด้วยริ้นถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายและตรึกนึกถึงอารมณ์ด้วยใจยกร็ตามให้รู้ไปจากชัดถึงอารมณ์เหล่านั้นเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นั้นก็พิจารณาลักษณะที่ตรงตัว แต่ถ้าหากว่าปริมาณของปัญญามีความแก่กล้ามากขึ้นไปกว่านั้นแม้รูปที่ประณีตสวยงามอย่างไรก็ตามก็มองไปหาจุดซึ่งไม่ปรากฏว่าในที่สุดความชราความคล่ำคล่าผมหอกฟันหักหนังเหี่ยวยน่นเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นแก่รูปเหล่านั้นรูปที่ประณีตเหล่านั้นนี่ก็คือการพยายามใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันของตน ท่านอารวาจยักษได้เคยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงลักษณะของชีวิตทั้งหลายในโลกนี้เพราะชีวิตทั้งหลายในโลกนี้นั้นมีความแตกต่างกันจนไม่อาจจะนับจะประมาณได้ถ้าก็มาตัดตอนโดยเฉพาะว่าชีวิตอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าปัญญายีวียีบีตามะหุเสทา ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั่นเองเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดปริมาณของปัญญาจึงเหมือนกับแสงสว่างอาวิชาเปรียบเหมือนความมืดซึ่งมีการแก้กันอยู่ในตัวตาวอาบุคคลเพียงพยายามที่จะสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้มากเท่าไหร่อวิชาคือความมืดก็จะจางลงไปได้มากเท่านั้นการดาเนินชีวิตของบุคคลจึง สามารถมองเห็นขนทางเส้นทางสิ่งที่ขีดขวางสิ่งที่เกี่ยวข้องกระทางซึ่งตนจะเดินไปได้ว่าอะไรเป็นอะไรควรแก่การเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือควรกการหลีกเป็นนี่คือสภาพของโลกสภาพชีวิตที่ความจริงและเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็สอนให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจนในที่สุดเพื่อให้ทายถอนบรรเทาความยึดติดในสิ่งทั้งหลายหรือในโลกทั้งปวง ว่าจะเป็นในสัตว์ในสังขารหรือแม้แต่ในตัวตนของตนโดยพยายามมองความจริงพระแท้จริงแล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยอย่างที่ทรงใช้เป็นสำนวนย่อๆสั้นๆว่าปฏิยาการคยอาการที่เป็นไปตามปัจจัยเป็นลักษณะของกระแสน้ากระแสไฟ หรือฝนตกฟ้าร้องมันเป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยของชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นนั้นแม้สิ่งที่ไปกําหนดหมาว่าเป็นของเราก็มีลักษณะเช่นนั้น <c oughs> ตัวก็เราก็มีลักษณะเช่นนั้นใจก็เราเองก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้คิดได้พิจารณาได้ในชั้นใดก็ตามย่อมสามารถบันเทาความยึดติด ท, ที่เหนียวแน่นออกไปได้ อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ลุ่มหลงไม่กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมากเกินไปไม่กัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืงมากเกินไปไม่รุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงมากเกินไปและไม่มัวเปาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเป่ามากเกินไปแม้จะถูกขู่มออยู่ด้วยอภิชาแต่สามาร ถ, ถที่จะสร้างความสัตย์ีให้แก่ตนได้ตามสมควรแก่ ปัญญาที่ได้ก่อให้บังเกิดขึ้นต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสมุบสืบต่อไป